เลยความท่านผู้เลกาท่านผู้บริหารญาติโยมทั้งหลายเป็นการเทศที่น่ารักนะขนาดนี้เป็นการฟังเทศกันระดับอุดมคติเลยคือไม่เยอะเกินถึงพ่อไปเทศบทีคนเยอะเยอะมากไปนะลำบากคือพื้นฐานธรรมะของแต่ละคนไม่เท่ากัน คนหลากหลายมากๆในเวลาแสดงธรรมนะลำบากมากเลยนี่พวกเราเดี๋ยวหลวงพ่อขอสัมภาษณ์นิดหนึ่งเคยฟังซีดีหลวงพ่อไหมคนไหนไม่เคยสารภาพมาตรง ๆ, ๆดมีไหมวัวเยอะเลยเอาละคนไม่เคยฟังไม่เป็นไรนได้เคยศึกษาปฏิบัติธรรมแนวอื่นๆบ้างไหมมีไหมแลวส่วนมาก ไม่เคยฟังไม่เคยปฏิบัติแล้วเราเข้าโลกเทสแต่อีกแบบหนึ่งนะอย่างอยอะที่วัดเทสบางคนก็ว่ายากไปธรรมะมันเป็นของดีของพิเศษแต่ว่าคนทั่วไปไม่เข้าใจนั่นเสียดายที่สุดเลยเรามีมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญมากก็คือธรรมะนี่แหละอยู่คู่บ้านคู่เมืองมานานเป็นพันพันปีอยู่มาจนเราเคยชิด ใจของเราเนี่ยเกิดมาเราก็ได้ยินเรื่องศาสนาพูดเกิดมาเราก็เห็นวัดเกิดมาเราก็เห็นพระเรา้นคุ้ น, ค, นคุ้นจนกระทั่งเราไม่ได้สนใจแต่ทาง ท, างที่ถ้าหากใครได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมเราจะได้รับสิ่งซึ่งมีประโยชน์ที่สุดในชีวิตเลยสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดในชีวิตเราที่ทุกคนใฝ่ฝันทุกคนปรารถนาทุกคนอยากได้รับความสุขทุกคนจะดิ้นรนหาความสุขตลอดเวลา อย่างเรามาทํามหากิมอย่างเนี้ยนะเราก็อยากมีเงินมีตําแหน่งมีหน้าที่มีชื่อเสียงเราเห็นว่าถ้ามีสิ่งเหล่านี้เราจะมีความสุขในบางคนเลี้ใหญ่อยากใหญ่ยาโตนะอยากเป็นนายกอยากเป็นอย่างนน้นอย่างนี้หวังว่าเป็นแล้วมันจะมีความสุขเนืสิ่งที่มนุษย์เราแสวงหาตลอดชีวิตนะก็คือความสุขแต่ความสุขที่เป็นเรื่องแปลกมันเหมือนเงาวิ่งไล่จับเงาะ เหมือนเหมือนจะจับได้แต่จับไม่ได้สักทีเราเสังเกตไม่ได้ชีวิตเราเราลองนึกทบทวนไปว่าช่วงไหนในชีวิตเรามีความสุขมากที่สุดพอจะนึกออกไหมมีไหมแต่ละคนใครมีความสุขตอนเด็กๆบ้างใครรู้สึกตอนเด็กมีความสุขมากมีไหมตอนเด็กๆรู้สึกไหมว่าถ้าโตขึ้นจะมีความสุขเ <c oughs> นี่ยมันเริ่มอาภัพตั้งแต่ตรงนี้ละ <c oughs> ตอนเด็กๆเราคิดว่าถ้าเราโตขึ้นเราจะมีความสุขใช่ไหมพอโตขึ้นมาจริงๆเลยคิดนะตอนเด็กๆเรามีความสุขทาไมมีความสุขไม่ต้องรับภาระอะไรไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทุกวันนี้รับผิดชอบแสนสาหาัสรับผิดชอบตัวเองก็คนหนึ่งก็ลําบากแนละ้วบางคนก็มีครอบครัวต้องรับผิดชอบอีกเยอะแยะเลยเราหาความสุขแล้วเราก็ฝันตอนเด็กๆ เ, เราก็ฝันว่าถ้าโตขึ้นเรียนหนังสือจบแล้วอะไรนี้่จะมีความสุข ตอนโตขึ้นมามาทำงานนะเราคิดว่าถ้ารวยๆมีตำแหน่งดีๆแบบท่านผู้นวยการอะไรนียคงจะมีความสุขดูสิท่านก็บาดเจ็บอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ความสุขดูปัญหายากชะมัดเลยเราอยู่ในโรงพยาบาลเราดูสินคนมีความทุกข์เต็มไปหมดเลยคนที่มาโรงพยาบาล น, นี่คงไม่จนหรอกนะมีเงินนะแต่ก็ยังมีความทุกข์นึกออกไหมเห็นคนตายไหย รวยแค่ไหนก็ตายทำไมละ่ะหาความสุขกันตลอดชีวิตเลยนะก็หาไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อยวิ่งเท่าไหร่เท่าไหร่นะมันไม่มีจุดใดที่เราจะนึกลงไปแล้วก็มันอิ่มโออิ่ใจว่าตรงนี้แหละคือความสุขที่แท้จริงในชีวิต ต, ตอนเด็กมันก็ไม่เต็มอิ่ ม, มก็รู้สึกว่าโตแล้วจะมีความสุขพอโตเข้ามาจริงๆนะก็นึกถึงตอนเด็กว่ามีความสุขทั้งๆ ท, ที่ความสุขตอนเด็กนะั้นเราเคยตัดสินแล้วไม่เต็มอิ่มหรอก นี่ทำยังไงเราจะหาความสุขในชีวิตได้ถ้าคนเรามีความสุขในชีวิตได้จริงๆนะคนไหนที่จิตใจมีความสุขจริงมันจะเต็มอิ่มอยู่ในตัวเองเมื่อความสุขมันเต็มอิ่มอยู่ในตัวเองเนี่ยความเมตตาก ร, รุณาเนะี่ยมันจะล้นออกไปหาคนอื่นใช่ไหอยากให้คนอื่นมีความสุขคนซึ่งมันทําร้ายคนอื่นนะเปลี่ยนเปลี่นคนอื่นนะ Granny เพราจริงๆแล้วตัวเองไม่มีความสุขถ้าเรามีความสุขอยู่ยเต็มอิ่มอยู่ด้วยตัวของเราเองได้นะ ความเมตตาปรุณาจะเกิดขึ้นแทนที่จะคิดเปลียนเปลี่ยนนะจะเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะเรียกว่าค น, นเต็มเต็มนั้นเรามาฝึกตัวเองให้เป็นคนเต็มคนสักทีไม่อย่งนั้นเราจะเป็นคนหิวตลอดเวลาหิวความสุขนี่แหละดิ้นรนไปเรื่อยๆทยํายังไงชีวิตเราจะมีความสุขเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรทําให้เราไม่มีความสุขสิ่งที่ทําให้เราไม่มีความสุขนะพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าตัวสมุทยัยเอิดให้เกิดความทุกข์ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีเหตุในในความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุถ้ามีเหตุมันก็มีถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่มีทําไงก็ไม่มีความทุกขก็ต้องมีเหตุความสุขก็มีเหตุของมันเหตุที่ทําให้เราไม่มีความสุขเหตุที่ทําให้เราเกิดทุกข์นั่นเรียกว่าตัวสบุกไทยคือความอยากชัดเจนไม่มีความอยากทีไรก็มีทุกทุกทีคนในโลกนั้นมีความคิดนะว่าถ้าสมอยาก จะมีความสุขอยากแล้วไม่สมอยากจะมีความทุกข์รู้สึกอย่างนี้ไหมรู้สึกไหมแล้วมันสมอยากจริงไหมมันสมอยากได้ชั่วคราวนะเราอยากได้สิ่งนี้สมัอยากได้ไอโฟนสี่แก็ได้มานะมีความสุขมาเดี๋ยวเดียวนะบางคนมีความสุขแป๊บเดียวนะเอามาถึงโรงพยาบาลมาอวดเพื่อนมี i p h ฟนสีเขาก็งัดของเขามาให้เราดูบ้าง ความสุขของเราก็าหายไปเยอะแล้วเขามีเหมือนเราไม่เด่นกว่าเขาแถมเขาซื้อมาได้ถูกกว่าเราห้าสิบาทด้วย <c oughs> เรามีความทุกข์เยอะเลยแถวนี้ความอยากเกิดขึ้นทีไรความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีความอยากเป็นฐานะตาห้ามมันไม่ได้หรอกความอยากนั่นเราห้ามมันไม่ได้งั้นอยู่ๆเราจะไปบอกใจบอกว่าอยากอยากอยากอยาอยากเหมือนไม่เชื่อใจจะอยากใครจะห้ามได้ แต่พออยากเราก็ดิ้นรนเหน็ดเห น, นื่อยมากในการสนองความอยากแต่ละเรื่องความอยากอันนี้จบลงไปนะความอยากอันใหม่ก็เกิดขึ้นทันทีเลยอย่าสงสวยเราคลุ้มใจเราอยากไปเที่ยวนะไปดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยไปดูหนังฟังเพลงเสร็จแล้วก็นะมีความสุขตอนนั้นแป๊บๆนะเดี๋ยวอยากต่อละดูหนังเบื่อละหิ ว, วละอยากกินต่อละแล้วไปหาของกินที่อร่อยมีลูกศิษย์หลวงพ่อคนหนึ่งนะเถาฐานะดีพอสมควรแหละ วันนึงอยากกินขนมตาลเนืเที่ยวหาขนมตาลกินนะสงสัยไม่เคยทําบุญเอาขนมตาลใส่บาตรวันที่ไม่ได้อยากกินกนะ็เจอเต็มไปหมดเลยวันที่อยากกินกนะ็อุตส่าห์วิ่งไปถึงแต่ว่าไร่ขิงเนะี่ยไปดูตามตลาดน้ํำซาเลยหาไม่ได้นะเนื้อใจใจใจพอมันใจมันมีความต้องการมีความอยากขึ้นมานะพิจิตดินดิน้นแต่พยายามสนองมันนะสนองมันเท่าไหร่ สมมติว่าสนองได้ได้ความสุขมาแป๊บหนึง่งก็เกิดความอยากตัวใหม่ขึ้นถ้าสนองไม่ได้มีความทุกข์เยอะเลยรู้สึกไหมใส่ใกจกไหมในชีวิตเราความทุกข์ที่ร้ายแรงที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่เกิดจากเราไม่สมอยากอย่างมีแฟนอยู่นะมะแล้วแฟนเราเปลี่ยนใจไม่เอาเราแล้วไปจีบคนอื่นไปชอบคนอื่นเราอยากให้เขารักเราแล้ว เ, เขาไม่รักทุกข์ไหมทุกข์ไหมจะทุกข์ทันทะีรวยแค่ไหนก็ทุกข์นะ ใหญ่แค่ไหนก็ทุกนะเพราะใจมันมีความอยากขึ้นมาอันนี้เป็นความทุกข์ทางจิตใจนะความทุกข์ทางร่างกายเช่นเดินหก ล, งล้มอะไรนี้แค้งขาเคล็ดอะไรนี้เรื่องปกติหรอกความทุกข์ทางกร่างกายเราให้หมอรักษาแต่ความทุกข์ทางใจต้องดูแลใจของเราเองทุกคนรักตัวเองทุกคนอยากให้ตัวเองมีความสุขแต่ทุกคนละเลยตัวเองไม่สนใจไม่ใส่ใจกับจิตใจของเราเองเราอยากให้คนอื่อรู้ใจเราแต่เราไม่เคยรู้ใจตัวเอง เรามาหัดพัฒนาใจของเรานะให้มันมีความเต็มอิ่มอยู่ในตัวเองความอยากอะไรเกิดขึ้นแทนที่จะต้องวิ่งสนองมันไปเรื่อยๆหรือวิ่งห้ามมันมาควรต่อต้านความอยากนะมาคนสนองความอยากแล้วคิดว่าจะปนทุกข์เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นเจ้าชายมีความเป็นอยู่ที่ดีต้องการอะไรก็ได้ทางวัตถุนะทางโลกโลกก็ได้หมดเลยสนองความอยากเยอะแยเลยแต่ไม่เป็มอิ่ม ขนาดเก็บเจ้าชายนะเจ้าชายลูกชายคนเดียวด้วยลูกชายคนเดียวเนี่ยพ่อแม่มักจะเอาใจมากเนี่ยขนาดนั้นถ้ายังรู้สึกไม่เต็มหิ้มันไม่มีความสุขจริงนะความสุขอย่างที่เราหลงตามโลกไม่มีความสุขจริงงั้นมีความอยากแล้วสนองความอยากไปเรื่อยๆไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงหรอกมีความอยากขึ้นมาสนองความอยากได้ได้ความสุขนิดนึงสนองความอยากไม่ได้ได้ความทุกขเยอะเลย มีความสุขถ้าสนองได้ก็ได้สุขแปบบ๊บหนึงเดี๋ยวก็อย่างอางีกแล้วทุกอีกวิ่นไปเรื่อยถ้าเป็นปฏิเสธความอยากก็มีความทุกข์พวกคือสีชีพใรพวกที่ทรมานตัวเองอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนนะอยากสบายก็ทรมานร่างกายทรมานตัวเองหวังว่าฝืนความต้องการฝืนตันหาไปเรื่อยๆแล้วจะมีความสุขก็ไม่ได้มีความสุขพระพุทธเจ้าเลยสอนทางสายกลางให้เราแลที่เราจะเข้าถึงความสุขได้ง่ายๆเลย ไม่ได้ต่อต้านความอยากนะแล้วก็ไม่ได้หลงตามความอยากความอยากอะไรเกิดขึ้นในใจเราเราคอยรู้บ่อยๆความอยากเกิดทั้งวันแหละความอยากเนี่ยเกิดได้หหรูปแบบหกช่องทางอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากกระทบสัมผัสทางร่างกายอยากได้อารมณ์ทางใจที่ดีอยากพ้นจากอารมณ์ทางใจที่ไม่ดีเป็นเรื่องทางใจ อยากเห็นรูปสวยอยากจะไม่เห็นของที่ไม่สวยบางคนก็อยากบางคนก็อยากเห็นของสวยนะแต่เจอของไม่สวยก็อยากดูเวลารถชนกันอยากดูไหมดูจะเล็กแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่โรงพยาบาลไม่ครู้สึกหรอกเห็นบ่อยๆคนที่อื่นนะเห็นรถชนกันนะต้องจอดดูชะลอดูอะไรทั้งๆ ท, ที่อยากดูของสวยนะแต่ของน่ากลัวก็อยากดูเหมือนกันแปลกดี วิธีปฏิบัติทรเนี่ยนะไม่ต้องทำอะไรมากหรอกอย่าไปตามใจกิเลสเกินไปความอยากอะไรเกิดขึ้นเราต้องใช้เหตุผลวนะ่มันสมควรไหมเช่นหิวแล้วอยากกินข้าวก็กินข้าวง่วงแล้วอยากจะนอนก็นอนนะไม่ใช่ว่าง่วงแล้วต้องไม่นอนหิวแล้วต้องไม่กินไม่ใช่ไอ้นั่นไม่ใช่ศาสนาพุทธแล้วนะสุดโตกไปข้างกรมารณ์ตัวเองมากไปเราก็ดูไปความอยากใด นะสมเหตุสมผล น, นะจำเป็นเป็นความจําเป็นเราก็ทำนะไม่จําเป็นความอยากอะไรที่มันไม่จําเป็นเราอย่าไปเชื่อมันมันหลอกให้เราทํางานเหนื่อยยากเกินความเป็นจริงนะอย่างต้องอยากได้มือถือแพงๆอะไรย่างเงี้ยทั้งที่บางคนใช้ไม่เป็นด้วยโทรเข้าตทรออกอย่างเดียวนะทําเล่นอะไรตออะไรไม่เป็นหรอกหรือ บ, บางคนเล่นเป็นแต่ไม่มีเวลาจะเล่นเลยนะแต่อยากมีเนะี่ยความอยากที่นส่วนเกิน ทุกคนในโลกนะในทุกวันเนี้ยเราถูกหลอกให้มีความอยากส่วนเกินี่เยอะมากเลยรูปเล็กเด็กแดงนะใครมีรูปบ้างมีไหมใครมีรูปในนี้มีไหมลูกใครขออะไรที่เราเห็นว่าเกิดจำเป็นไหเนี่มีเยอะไหมลูปขอของจำเป็นนี่ปีบ่อยไหมก็มีเหมือนกันหลยขอซื้อหนังสือเรียนขออะไรอย่างนี้แต่ขอของไม่จำเป็นเยอะนะ เนื้อเวลาที่กิเลสเกิดขึ้นความอยากเกิดขึ้นเนี่ยอย่ารีบสนองนะให้มีสติซะก่อนรู้ทันใจของตัวเองซะก่อนความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้ทันก่อนนะมันมีกฎของธรรมะอยู่ข้อหนึ่งบอกว่าถ้าเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นจะไม่มีสตินี่เป็นกฎของธรรมะนะธรรมะมีกฎคล้ายๆกฎของเลขาคณิษกฎอะไรอย่างนี้เยอะแยเลยกฎของธรรมะนี่มีชื่อเรียกว่าธรรมนิยาม กฎของธรรมะบอกว่าถ้าเมื่อไรมีกิเลสก็ไม่มีสติเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเรามาฝึกให้จิตเรานี่มีสติไวๆใครๆก็พูดเรื่องมีสติใช่ไหมมีสติแต่ในความเป็นจริงคนในโลกนี้ไม่มีสติหรอกคนในโลกนี้หลงตลอดเวลาเลยหาคนที่มีสติคนที่รู้สึกตัวได้น้อยเต็มทีมีแต่คนหลงรู้จักหลงไมเวลาเราใจลอยใครรู้จักใจลอยบ้างสังเกตไเวลาเราใจลอย เราลืมร่างกายตัวเองเราไปชิดๆนะเราลืมร่างกายเวลาเราใจลอยเราลืมความรู้สึกทางใจของตัวเองเราจะลืมตัวเองตลอดเลยเวลาใจลอยตอนเป็นนี้เอาใหม่ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นที่ใจรู้บ่อยๆความรู้สึกอะไรเกิดที่ใจรู้บ่อยๆคืออย่างนี้แปกนะความสุขเกิดขึ้นรู้ทันความทุกขเกิดขึ้นรู้ทันความโลกความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้ทันคอยรู้บ่อยๆ เราจะต้องพัฒนาเครื่องมือคือสติขึ้นมาสติจะเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายมีอะไรเกิดขึ้นในใจพวกเราทํางานอย่างนี้นะส่วนมากพวกเราก็เป็นคนช่างคิดคนรุ่นใหม่วันวั น, วนมีแต่เรื่องต้องคิดเดยอะแยะเลยลองมาหาสังเกตใจของเราไปใจเราเดี๋ยวไปคิดเรื่องนี้มันก็อยากอย่างนี้คิดเรื่องนี้มันก็อยากอย่างนี้พออยากแล้วไม่สมอยากก็โมโหโกรธขึ้นมาไม่พอใจขึ้นมา นั่นคอยสังเกตใจของตัวเองบ่อยๆอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้ทันอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้ทันต่อไปเราจะไหวแค่ใจลอยแวบหนึ่งเราก็รู้แค่โลภขึ้นมาแวบหนึ่งเราก็รู้แค่โกรธขึ้นมาแวบหนึ่งเราก็รู้คนทั่วไปเนี่ยถ้าจะมาหัดรู้ใจตัวองก็รู้ได้แต่ละเลยที่จะรู้โกรธพวกเรารู้จักไหมโกรธใครรู้จักไหมโกรธเป็นไงใครเคยโกรธใครไม่เคยโกรธเลยมีไหม มีพวกเป็นกลางมากเลยพวกมัชชิมาถามโกรธมีใครโกรธไหมเฉยใครใครไม่โกรดเลยก็เฉยอีกนี่พวกมัชชิมาปฏิปทานะ <c ười> ครยรู้ทันลงไปครยรู้ทันความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นที่ใจคอรู้ทันความรู้สึกอะไรเกิดที่ใจคอยรู้ทันโดยเฉพาะความอยากนะถ้าความอยากเกิดขึ้นเรารู้ทันนะี่ยชีวิตเราจะอิสระมากขึ้นเป็นทาตน้อยลงเราเป็นทาตความอยากของเราอเองคนอื่นเข้ามากระตุ้นความอยากเรา ให้เราอยากได้นอนอยากได้นี่แล้วเราก็ตกเป็นทาสของความอยากมันดิ้นชีวิตนี้เต็มไปด้วยความดิ้นมากไปนี่เราคอยรู้ทันนะคอยรู้ทันอย่าไปบังคับมันอย่าไปปฏิเสธมันกิเลสอะไรเกิดขึ้นหรือความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจของเรากระทั่งความอยากเกิดขึ้นก็ไม่ได้ปฏิเสธมันให้คอยรู้ทันทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจเราความอยากเกิดขึ้นก็รู้ทันความอยากหายไปก็รู้ทัน ความโลภความโกรธความหลงความฟุง้งซ่านความโกรธอนะูอารมณ์ต่างๆนาน า, นาทุกๆชนิดนะถ้าไหลเข้ามาสู่ใจเราให้รู้ทันเอาไว้บ่อยๆการที่เราคอยรู้ทันใจบ่อยๆเนะี่ยต่อไปสติเราจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะพอสติเราเร็วเนี่ยเช่นความปวดเกิดขึ้นแวบเราเห็นแล้วพอความโกรธเกิดขึด้นแวบบเราเห็นนะความปวรจะดับอัตโนมัติเลยแล้วกิกเลสจับสติไม่อยู่ด้วยกัน หรือความโลภเกิดขึ้นเรารู้ทันปั๊บนะความโลภจะดับสันทีนะความอยากเกิดขึ้นเรารู้ทันปั๊บนะความอยากจะดับสันทีนะพอดับแล้วคราวนี้เราก็ใช้ชีวิตอย่างมีเหตุมีผลนะไม่ได้ใช้ชีวิตตามการผลักดันบุ ก, การของกิเลส น, นะไม่ใช่ให้ตันหาผลักไปเรื่อยอยากไปเรื่อยแล้วิ้นไปเรื่อยชีวิตหาอิสรภาพไม่ได้นี่เราลองมาปฏิบัติธทำนะทำมาปฏิบัติง่ายๆนะแต่ได้ผลดีได้ผลเร็วด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ ถ้าปฏิบัติแล้วจะได้ผลดีแล้วก็ผลเร็วแล้วเห็นผลได้ด้วยตัวเองนะคนที่เรียนจัลโลพอดนะนับจํานวนไม่ถ้วหนหรอกเดี๋ยวนี้มีเป็นหมื่นแล้วนะที่เขาภาวนาเลยขั้นสงบไปแล้วนะขั้นฝึกให้จิตสงบนี่ดีกร์สุดๆเลยเรียกว่ากระจอกมากเลยแค่นั้นไม่พอสงบได้มันก็ฟุ้งได้อีกเนะี่ยที่เขามาหักนะเขาค่อยๆมีสติแนละจิตตื่นขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวหลุดอกอกจากโลกของความคิดโลกของความฝันได้ จิตรู้สึกตัวขึ้นมาได้นี่เราค่อยๆสึกไปค่อยรู้ทันเวลาจิตมีความอยากเกิดขึ้นเรารู้ทันจิตมีความสศขจิตมีความทุกข์จิตเป็นยังไงคอยรู้ทันจิตของตัวเองบ่อยๆทุกคนรู้ได้แต่ลาเลยที่จะรู้อย่างความโกรธเกิดขึ้นเรารู้จักว่าความโกรธเป็นยังไงแต่พอโกรธขึ้นมาเรามัวจะไปดูคนที่ทําให้เราโกรธเราไม่ดูใจที่กําลังโกรธเราเปลี่ยนนี่เดียวท่านั้น แทนที่จะไปดูคนที่ทําให้เราโกรธนะมารู้ทันว่าใจกําลังโกรธอยู่ความรักเกิดขึ้นแล้วเราจะไปสนใจคนที่เรารักเราไม่รู้ไม่ยอมดูว่าใจกําลังรักอยู่เราล่าเลยใจของเราเองไปความฟุ้งซ่างเกิดแล้วคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปเราล่าเลยไม่รู้ว่าใจกําลังฟุ้งซ่างอยู่ต่อไปนี้เราแค่ไม่ล้าเลยคอยรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆศีลจะเกิดขึ้นสมาธิจะเกิดขึ้นปัญญาจะเกิดขึ้น คอยรู้ทันใจเัวเองบ่อยๆไปกิเลสอะไรเกิดขึ้นเรารู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นเรารู้ทันถ้าเรารู้ทันได้กิเลสจะครอบงาจิตไม่ได้คนทําผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงาจิตแค่นี้เองอย่างพวกเราไม่ต้องอารัศนาศีลเลยเรามีสติไว้กิเลสอย่างความโกรธเกิดขึ้นในใจเรารู้ปักเลยเห็นเลยความโกรธเกิดขึ้นความโกรธก็ครอบงำใจไม่ได้นะจะดับไปเลยเพราะความโกรธครอบงำใจไม่ได้เราไม่ฆ่าใครเราไม่ตีใครเราไม่ด่าใคร เราไม่แกล้งทําลายทรัพย์สินของใครหรือถ้าความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ไม่ทันเราก็ไปฆ่าเขาไปตีเขาไปด่าเขาไปแกล้งเขาไปทําลายทรัพย์สินเค้าอะไรไหมไหมถ้าเราแค่เรามีสติรู้ทันใจของตัวเองนะรู้ทันเบื้องต้นหาดดูความอยากก็ได้แต่ต่อไปแล้วมันจะเห็นทุกสิ่งทอย่างะเบื้องต้นหาดดูสักอย่างหนึ่งก่อนคนไหนที่โลภนะก็ดูใจที่อยากไปใจอยากขึ้นมารู้ทันใจอยากขึ้นมารู้ทันต่อไป ใจโกรธขึ้นมาก็รู้ทันใจฟุ้งซ่านก็รู้ทันใจหัดถูก็รู้ทันใจดีใจร้ายก็รู้ทันคนไหนที่โมโหก็ดูใจที่โมโหบ่อยๆโมโหที่ไรรู้ทุกทีโมโหที่ไรรู้ทุกทีต่อไปก็เห็นอย่างอื่นด้วยเห็นจิตรอบจิตตัวจิตหลงเห็นหมดแหล่จิตสุขจิตทุกข์เริ่มต้นหัดดูตัวที่เรามีบ่อยๆตัวที่มันทําร้ายเรามากๆหน่อยคนไหนที่โมโหเวลาโกรธขึ้นมาแทนที่จะไปดูคนที่เราโกรธแล้วก็แทนที่จะไปนับหนึ่ถึงสิบ แต่ได้ยินแหมโกรดขึ้นมานับหนึ่งถึงสี่นับไปทําไมนับให้หายโกรธใช่ไหมถ้านับให้หายโกรธเนี่ยเป็นการทําสมาถะกรรมฐ า, านถ้าจะปฏิบัติให้มันละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธแต่ว่าโกรธขึ้นมาไม่ใช่รู้ว่าอ๋อพูดในการไม่ขึ้นเงินเดือนให้เราเยอะๆเลยโกรธเลยไปโกรธพูดในการแล้วไปมองแต่พูดในการอย่างนี้ไม่ใช่การปฏิบัตินะโกรธขึ้นมาดูใจตัวเอง ลอบขึ้นมาดูใจตัวเองหลงขึ้นมาโดยใจตัวเองอยากขึ้นมาโดยใจตัวเองมีความสุขขึ้นมาดูใจตัวเองมีความทุกข์ขึ้นมารู้ดูใจตัวเองค่อยดูใจของเราบ่อยๆ่อยไว้พอกิ เ, กเลสนะ ม, ม, มัมนเกิดขึ้นเรารู้ทันนะกิเลสจะครอบงาจิตไม่ได้ถ้ากิเลสครอบงาจิตไม่ได้สีลจะเกิดเองนะอย่างความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ทันเราไม่ตาใครไม่ตีใครไม่ทําร้ายใครไม่ทําลายทรัพย์สินเขาด้วยความโลบเกิดขึ้นเรารู้ทันนะเราก็ไม่ไป ตักตีหัวเขาเพื่อจะชิงทรัพท์นะผิดศีลไม่ไปขโมยเขาไม่ไปพูดจาหลอกลวงเขาราค้าเกิดขึ้นเรารู้ทันเราก็ไม่ไปผิดศีลข้อสามเนี่ยว่าบางทีใจฟุ้งซ่านขึ้นมาเรารู้ทันเราก็ไม่พูดเพิรเจอร์ศีลข้อสีของเราก็ดีหลคนเราทําผิดศีล น, นะก็ไม่รู้ทันใจตัวเองงั้นบางคนคิดนะรักษาศีลยากเหลือเกิน รักษาศีนยากเหรือเกินพเพราะมวลใจไปรักษาที่กายไม่รักษาที่ใจถ้ารักษาศีลที่ใจมีสติรู้ทันใจของเราศีนจะเกิดเองถ้าชุมชนใดคนมีศีนอยู่เยอะๆนะชุมชนนั้นดีมากมีชุมชนที่มีความร่มเย็นเป็นสุขไว้วางใจซึ่งกันและกันได้ทุกวันนี่ยากใช่ไหมเราเชื่อไหมว่าคนส่วนใหญ่มีศีนตอนนี้ใครเชื่ออย่างนี้ไหมใครเชื่อไหมว่าข้าราชการมีศีลส่วนใหญ่ ใครเชื่อว่านักการเมืองมีศีลมีไหมระหว่างใครการมีศีลกับนักการเมืองมีศีลเราคิดว่าใครมากใครน้อยหรือเปลโอ้แอบยิ้มเป็นใหญ่เลยลงความก็คือเราไม่ค่อยคิดว่าคนอื่นมีศีลน้อกเนาะ <c oughs> เราด้วยเนาะ <c oughs> งั้นมีสตินะดูทันใจของตัเองไปต่อมามาหัาดูจิตดูใจนะให้มันมีสมาธิสมาธิเนี่ยก็คือใจมันสงบสบายอยู่ในอารมณ์มันเดียว ใจของคนส่วนใหญ่จะฟุ้งซ่านคิดเรื่องโน้น เ, เรื่องนี้ฟุ้งซ่านไปเรื่อยแทนที่เราจะปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเราครยมีสติรู้ทันใจของเราใจของเราคิดนึกปรุงแต่งอะไรไปฟุ้งซ่านไปเราคอยรู้บ่อยๆเบื้องต้นอา จ, จะหัดทำกรรมาฐานสนักการหนึ่งหาดพุโทโธหัดรู้ลมหายใจอะไรก็ได้แล้วแต่ถนัดนะใครถนัดอะไรใช้อนั้นแหละพุโทโธไปแล้วก็จิตหนีวิชิตรู้ทันพุโทโธไปจิตหนีไปจิตรู้ทัน ต่อไปนะ้อจิตไม่ขยบไปมันจะฟุ้งออกไปนิดเดียวมันจะเห็นนะทันทีที่เห็นนะความฟุ้งซ่านจะดับเพราะอะไรเพราะสติมันเกิดสติเป็นตัวรู้ทันว่าฟุ้งซ่านทันทีที่สติเกิดที่เลยดับนะเมื่อจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตสงบจิตสงบเองแทนที่พวกเราจะหาทางทำให้จิตสงบนะทำยากจะทำให้จิตสงบยากเรามาพลิกนิดเดียวนะมาคอยรู้ทันเวลาจิตไม่สงบ ถ้าเรารู้ทันจิตที่ไม่สงบเราพุทโธพุทโธไปจิตหนีพิธีเรารู้นะจิตจะสงบเองพอจิตใจสงบนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไว้อย่าลืมตัวเองคอยรู้สึกตัวมีร่างกายคอยรู้สึกร่างกายมีใจคอยรู้สึกใจคนในโลกนั้นลืมตัวเองตลอดมีร่างกายก็ลืมมันมีใจก็ลืมมันไม่เคยสนใจตัวเองละเลยตัวเองที่สุดต่อไปนี้เราต้องสนใจตัวเองให้มากขึ้นนะคอยรู้ทันรู้ทันใจของเราบ่อยๆ แล้วจิตนี้ไปคิดเรารู้ทานจิตนี้ไปคิดเรารู้ทานใจจะอยู่กับตัวเองเมื่อใจอยู่กับตัวเองแล้วเราก็มาดูนะดูกายดูใจมันทํางานไปเรื่อยๆถ้าใครทําถึงตรงนี้ได้นะเคยได้ยินคําว่าสติปัฏฐานไหย ม, มหาสติปัฏฐานสูตพรพระพุทธเจ้าเทศน์ไปนะบอกว่าถ้าใครจเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีจะเป็นพระอรหันต์นะถ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์จะได้พระนาคามี นั้นเป็นเรื่องอัศจรรย์นะที่ว่าหากจเจริญสติปัฏฐานได้เนี่ยชีวิตจะเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างมหาศาลเลยอาจจะไม่ถึงเป็นพระอริยนะแต่แลราจะเป็นปุทุชนที่ดีวิเศษนะเป็นฟุทุชนที่ทุกน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะเห็นแก่ตัวน้อยลงน้อยลงนะมีใจเมตตาปรินามากขึ้นมากขึ้นแต่จะเปลี่ยนนะวิธีการก็คือพอใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะเราคอยรู้ทัน ร่างกายเคลื่อนไหวเราก็ดูไปเห็นเหมือนดูคนอื่นเคลื่อนไหวจิตใจมันเป็นยังไงเราก็คอยรู้ไปดูเหมือนคนอื่นดูเหมือนดูคนอื่นเช่นใจมันโกรธขึ้นมาดูเหมือนเห็นคนอื่นโกรธใจมันโลภขึ้นมาดูเหมือนเห็นคนอื่นโลภใจมันฟุ้งซ่านเหมือนเราเห็นคนอื่นฟุ้งซ่านเราทำตัวเป็นคนดูไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปบังคับมันดูมันอย่างที่มันเป็นดูมันไปเรื่อยๆนี่เราหัดอย่างนี้บ่อยๆนะต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นเลยว่า จิตใจของเราที่เป็นของไม่คงที่เลยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใครเคยมีความทุกข์มากมมีไหมทุกข์มากๆใครเคยลูกตายมีไหมในนี้ใครเคยลูกตายบ้างมีไหมมีทุกข์เยอะไหมขอข่านไปนานๆทุก ข, ข์ก็ลดลงนึกออกไหมกระทั่งความทุกข์ที่ว่าสาหานะัสน่ะก็ไม่เจียงไม่มีหรอกความทุกข์ที่เที่ยงนี่เราคอยรู้ทันนะไปปัญญามันเกิด เราจะเห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานี่เป็นของชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวนะความทุกขก็ชั่วคราวความดีก็ชั่วคราวความโลภความโกรยความหลงความอยากทุกสิ่งทุกอย่างชั่วคราวไปหมดเลยถ้าเราเห็นได้อย่างนี้ต่อไปนะมีความสุขเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าชั่วคราวเราไม่หลงละเริงมีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้ว่าเป็นของชั่วคราวเราไม่ทุรนทุรายรู้ว่ามันอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายใจเราจะเป็นกลาง เันต่อไปเราภาวนามากเข้ามากเข้าเรารู้ทานจิตตัวเองบ่อยๆนะรู้ทันจิตตัวเองบ่อยๆจิตเราจะค่อยเป็นกลางมากขึ้นเป็นกลางต่อความสุขเป็นกลางต่อความทุกข์เป็นกลางต่อกุศลต่อความโลภความโกรธความหล ง, ลงเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอยาก่างใจเราเป็นกลางเนี่ยใจจะไม่มีความอยากถ้าใจมีความอยากนะใจมันใจมันไม่เป็นกลางมันจะอยากความอยากจะเกิดขึ้นจะดินอย่างความสุขเกิดขึ้น มันจะอยากอะไรความสุขเกิดขึ้นอยากให้อยู่นานๆใช่ไหมมันจะอยากมันไม่เป็นแรางมันไม่มีปัญญาไม่รู้ความจริงว่าความสุขเป็นของโชวคราวอยากให้อยู่นานๆอยากให้ความสุขเกิดบ่อยๆอยากแหมอยากให้ไม่มีความทุกข์อยากให้ความทุกข์ไม่เกิดขึ้นอยากแหมนี่มีความอยากถ้าปัญญามันพอมันเห็นเลยความทุกข์ก็ของโ่วคราวถ้าความทุกข์จะมาก็ห้ามมันไม่ได้ความทุกข์มาแล้วนะ ไม่ได้เชิญมันนะถึงเวลามันก็ไปทุกอย่างนะมีเหตุมันก็มาหมดเหตุมันก็ไปมีอยู่แค่นี้เองเราเรียนธรรมะเนี่ยเรียนดูลงมาถึงจิตถึงใจของเรานะเพื่อวันหนึ่งเราจะได้รู้ความจริงว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานี่เป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยความสุขความทุกขอะไรต่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างชั่วคราวพอเรารู้ว่าชั่วคราวนะใจมันจะไม่ดิ้นต่อแล้วความสุขเกิดขึ้นก็ไม่ดิ้นที่จะรักษาไม่ดิ้นที่จะสแสวงหา ความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่ดิ้นปฏิเสธมันเวลาเราอยากหายทุกข์เราทุกข์ไหมเวลาอยากให้ความทุกข์หายไปเรายิ่งทุกข์เยอะขึ้นเท่าไหรเพราะเราเพิ่มความอยากความอยากมากขึ้นก็ความทุกข์ก็เยองขึ้นเลยเวลาลถติดอยากให้ลถหายติดไร้เดียงสาไหมไร้เดียงสานะแต่อยากไหมอยากถ้าพวกมาจากบูเทพปนะพวกนี้เขาตกนรกขั้งเป็น่ะ เราพวกสีราชาไม่เท่าไหร่เราติดก็ติดนิ ด, น, ดนิดหน่อยๆนอยพอห้องปากของคออยากให้ลถไม่ติดนะอยากให้ของถูกความอยากเราจะเกิดทั้งวันเลยนะถ้าเรามาเรียนรู้มีสติรู้ทันจิตใจของเราบ่อยๆเราจะเห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวถ้าเห็นได้อย่างนี้ความอยากจะลดลงลดลงลดลงอยากให้สุขไม่มีหรอกเรารู้ว่าสุขก็ชั่วคราวไม่ต้องอยากเลย ถ้ามันมีเหตุความสุขมันก็มาอยากไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่ได้อยาอกนะรู้ว่าถ้าปรับทุกข์มีเหตุความทุกข์ก็ามาอยากให้ความทุกข์หายเร็วๆก็ไม่มีความอยากอย่างนี้เพ ร, ร, ราะรู้ว่าถ้ามันหมดเหตุนะความทุกข์ก็ดับเองถึงอยากยังไงมันก็ไม่หายเอยี่ยงเวลาเรามีความทุกข์เราอยากให้หายรู้สึกไหมแล้วมันไม่หายหรอกเพราะมันไม่ได้หายตามอยากแต่ยิ่งอยากยิ่งถูกหมักขึ้นถูกสัมสอนถูกสัมสอนถูกสัมซาด ต่อไปนี้เอานะค่อยดูทันใจของตัวเองบ่อยๆดูไปเรื่อยกิเลสอะไรเกิดแล้วรู้รู้ไปเรื่อยนะต่อไปปัญญามันมีเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวพอเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวความอยากจะหายไปเมื่อความอยากหายไปนะความทุกข์จะไม่มีหรอกความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางใจเกิดจากใจมันอยากนะนี่เอาแค่นี้ก็พอนะสำหรับคนซึ่งยังไม่เคยฟังซีดีหลวงพ่อฟังมากกว่ า, วานี้รุงใจ แต่ถ้าอดทนนะได้ซีดีมาแจกแจกฟรีนะเนี่ยลงทุนขนาดไหนนะเทศก็เทสไม่เก็บตังค์ด้วยนะมีอยู่ที่หนึ่งเนะขาโทรมาติดต่อมา ก, กรรกำการวัดอยากที่มโนหลวงพ่อไปเทสนะแต่ไม่มีตังค์บ้นเราไม่ได้เทศเก็บตังค์นะเราเทศให้ฟรีนะขอให้ฟังนะนะมีซีดีแจกให้ไม่ใช่ให้โอกาสกับหลวงพ่อนะ ลองให้โอกาสกับชีวิตตัวเองดูบ้างลองฟังซีดีหลวงพ่อนะฟังใหม่ๆยากยอมรับว่ายากอะไรที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังฟังครั้งแรกยากทางนั้นแหละใครเคยขับรถใครขับรถได้พวกเราขับรถได้แทบทุกคนเลยนึกออกไหมตอนหัดขับรถทีแรกยากใช่ไหมหลวงพ่อตอนหัดขับรถทีแรกนะรู้สึกปูนีงโ ง, ง่จริงเลยซื้อรถมาทาไรวะเดินสบายกว่านะหรือขึ้นแท็กซี่สบายกว่า แต่พอขับรถเป็นนะรู้สึกไหมรถสบายกว่าเดินชักจะไม่ยอมเดินแล้วไปไหนนิดๆก็ชักจะนั่งรถแหละการภาวนานก็เหมือนกันแรกๆนะไม่เคยไม่เคยมันก็ดูยากนะแต่อดทนนะฟังซีดีหลวงพ่อไปฟังั้งฟังซา ง, งนะคนเขาฟังกันทั่วโลกแล้วตอนนี้นะทำไมคนสีราชายจะฉลาดน้อยไม่ให้โอกาสกับตัวเองเฉลอลองฟังดูนะแล้วจะพบว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์ ความทุมกข์มันตกหายได้ต่อหน้าต่อตามันตกหายได้ต่อหน้าต่อตาธรมมะของพระพุทธเจ้าเนะี่ยสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลมีลําดับมีขั้นตอนเราจะรู้เลยว่าเราจะต้องทําอะไรจะทําเพื่ออะไรจะทําอย่างไรไม่ใช่หลับหูหลับตาภาวนาลูกเดียวนะไอ้นั่นโง่เกินไปพระพุทธเจ้าสอนธรรมะนี้ประณีตมากเลยท่านบอกงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ากลางงดงามในที่สุด งงามในที่สุดนะคือละกิเลสได้คนทุกได้จริงจริงงดงามในท่ามกลางนะไม่มีเหตุผลนะในการปฏิบัติงดงามในเบื้องต้นเนะี่ยบอกเราเลยว่าเราต้องทำอะไรจะต้องทำอย่างไรนี่พอเราลงมือทำนะจะพบวนะ่าธรรมะของท่านงามจริงๆงามไม่น่าเชื่อแค่รู้แค่รู้ทันกิเลสของเราเองนะความทุกข์ก็ตกหายไปเยอะลนะ ถ้ารู้ทันลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะว่าทุกอย่างในชีวิตเป็นของชว่วคราวเราจะเปลี่ยนตัวเองไหชีวิตของเราจะเปลี่ยนพราะพุทธเจ้าสมัยพระพุทธเจ้ า, จานะยังอยู่พวกเปลตีศา ส, สนาอื่นนะเขาเตือนกันว่าอย่าไปคุยกับพระสมณะโคดมนะพระสมณะโคดมมีมวลเปลี่ยนใจพวกเราลองฟังนะฟังซีดีหลวงพ่อแล้วเราจะรู้ว่ามวลเปลี่ยนใจนะั้นเป็นยังไง จัดใจดำเอามาหิดนาใจสว่างใจใสใจสะอาดขึ้นนะใจที่จมอยู่กับความทุกข์ไม่รู้จักทางออกอยู่ที่ไหนวิ่งหาแต่ความสุขเล่เาๆตั้งแต่เกิดจนตายใจจะมีทิตทางรู้ว่าเราจะต้องทําอะไรเพื่ออะไรแจะทําอย่างไรชีวิตเราถึงจะทุกข์น้อยลงน้อยลงจนถึงวันหนึ่งเราไม่ทุกข์หรอแต่ถึงขั้นไม่ทุกข์นี่ยากหน่อยนะเอ็ชลาว่านิษฐ์ทยากหน่อยต้องภาวนากันแบบเอาชีวิตเท่าแรกเลย แต่ถ้าภาวนาแบบฆราวาสนในขั้นต้นๆ น, น, นะธรรมะระดับต้นๆโสดาสัพพทาคาไม่ยากเกินไปสําหรับฆราวาสถ้ารู้วิธนะีวิธีก็คือให้รู้กายรู้ใจของเราเนี่ยรู้ไปบ่อยๆดูอย่างที่มันเป็นอย่าไปแทรกแซงอย่าไป บ, าบังคับเมื่อไร่ลืมกายลืมใจหรือว่าย่อหย่อนเกินไปเมื่อไหรบังคับกายบังคับใจหรือว่าตึงเกินไปนะไม่หย่อนไปไม่ตึงไปนะรู้อย่างที่เข้าเป็นเร่อยไปสุดท้ายปัญญาเกิดเห็นว่าทุกอย่างโวคเราว ถ้าเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวหือตุอย่างเกิดแล้วดับได้ตัวนี้แหละภูมิธรรมของพระโสดาบันนะเราจะได้รับรได้รับความปลอดภัยเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่เรารู้เลยว่าพ่อแม่ของเราคือพระพุทธเจ้า น, นั่นเองธรร ม, มาที่ท่านสอนนะั้นวิเศษจริงๆพวกเรามีโอกาสที่จะได้รับของวิเศษแล้วนะอดทนนิดนึงไปฟังซีดีไปให้กันบ้าน <c oughs> ในฐานะที่ที่นี่ยังไม่ค่อยมีใคร ใครฟังซีดีหลวงพ่อคงไม่ต้องส่งกันบ้านใช่ไหมจะเอากันบ้านที่ไหนมาส่งอ่ะไม่ได้ภาวนาอ่ะเท่ า, น, า, ทานี้ก็พอแนละ้วฮะนี่ใครจะคุยกับหลวงพ่อฟองไหมมีไมเ่เลยไม่มีอะไรจะได้กลับไปทำงานต่ อ, อ, อลาดับถัดไปนะคะ ขอเชิญท่านประธานองค์กรแพทย์นายแพทย์สนองวินุตาคมค่ะถวายปัจจัยตามมาจริงๆนะฝาก45นาทีเนี่ยกำลังพอดีสมองของคนทั่วๆไปที่คอนเซนเลยได้45นาทีเท่านั้นแหะมากกว่านั้นไม่ค่อยรับอ่ะค่อยเฉื่อยเรื่องแล้วถวายค่อยจะทำ ที่ได้ตบราาราาอารคจะขออนุญาตถามในส่วนพวกเราก็เป็นคนทางานทั่วไปครับเป็นพละวาดนะครับจะขอกลับเรียนอาจารย์เรื่องเรื่องของการทางานนะครับผมว่าคือทุกวันมีทางานก็คงจะมีความสุความทุกข์หลากหลายเพราช่ธรรมดาทางคนทางานทั่วไปอย่างเราเราควรจะใช้ธรรมะข้อไหนในการที่จะมาประกอบธรรมะนะมีหลากหลายมหาศาลเลยนะ แต่ธรรมะมีอยู่สองตัวที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นธรรมะสาคัญมีอุปการะมากแรกสตินะที่สอนสัมปชัญญะแล้วฝึกสติให้ได้ก่อนนะสติคอยรู้ทันอะไรเกิดขึ้นในใจก็รู้ทันแต่แล้วธรรมะอื่นๆจะตามมาเองพอมีสติได้ต่อไปก็มีปัญญาขึ้นมามันจะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรจะทําได้ถูกเองแหะไม่ต้องกังวลหรอกเฉั้นถ้าเราไม่มีสติสะตัวเดียวเนีน่ธรรมะอื่นหายหมดเลย มีสติตัวเดียวเนี่ยทํามะอื่นมันก็พอมาได้นะมันแทนอะไรอ่ะเซตนะเชิญมีคําถามเพิ่มค่ะอยากจะถามว่าความทุกข์ที่เกิดจากอยากให้คนอื่นเป็นคนดีเนี่ยเราจะต้องทอํายังไงคะคนอื่นเขาไม่เป็นคนดีอย่างที่เราอยากหรอก อย่างเราอยากเป็นคนดีมันยังไม่ค่อยเป็นเลยเพราะ้นจริงๆนะไม่มีใครเป็นอะไรตามที่คนอื่นอยากหรอกนะเราหวังดีได้นะเราทําเหตุให้อย่างเช่นว่าลูกเราเราะเรามีลูกนะเราอยากให้ลูกดีเราให้การศึกษาให้คําแนะนําเราเป็นตัวอย่างที่ดีเขาดูแล้วเราทําได้แค่นั้นแหละส่วนเขาจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวเขาเองนะทุกคนมีกรรมของตัวเองถ้าเราไปอยากอย่างนั้นอยากลมล ม, ลมแรงๆนะเราจะทุกข์มากเนีย่ยบางคนเป็นห่วงพ่อห่วงแม่ อยากให้พ่อแม่ภาวนาพ่อแม่แม่ภาวนาโมโหพ่อแม่นะเออเลยอยู่ดีๆนะเรื่องตกนรกสี่